คาถาภูธิบาทจะว่าเฉพาะบุรพานอกนั้นก็สวดถ้าสวดประจำก็สวดเปลี่ยนไปเรื่อยบุรพาเป็นอาคาเนทักษินฮรดีปัจจิมแล้วก็าพายับอุดร อ, อีสานอันนี้ท่านผู้สวดก็ให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ บุรภาราสัมิงพระพุตธคุณางบุรภาราสัมิงพระธรรมเมตตังบุรภาราสัมิงพระสังฆานางตุคัตโรวะคัพพยา วิว so, ันชัยเยสสะปทุกสะปะโสสะปะโรคสะปะภัยสะปะเคราะห์สะดียจันไรวิวันชัยเยสสะพัสทารังสะพัสลาภังอวันตุเมระขันตุสุระขันตุ